นักศึกษาพุทธกตองนะที่ดีต้องไม่ติดนิการอันนี้สําคัญที่สุดถ้าไปติดนิการแล้วมีการนี่บางเราไม่ให้เข้าถึงธรรมะคือว่าเราไปติดนิการเฮ้ยมีมหาย า, ยานไม่ใช่พวกเราไม่ศึกษาศึกษาแต่ยินยานก็พอแล้วมหายาณนี่เป็นความเลยเลิกเลยของดีๆในมหายานมีเยอะแยะเราอดศึกษาไม่ไม่มีไม่มีทางจะมาเปรียบเทียบกับธรรมะในยินยานได้เออหรือแม้แต่ในมหายาณด้วยกันเองนะ่ะมหายาณเฉพาะมหายานนะมีแต่ไรติดนิการน่ะมหาญาณไรติดนิการ แต่ละนิกายแต่ละนิกายต่างก็บอกว่าของท่านน่ะดีที่สุดของนิกายอื่นน่ะไม่ดีของท่านน่ะเป็นยอดที่สุดนิกายอื่นสู้ท่านไม่ได้หินนิยานก็สู้มหายานไม่ได้นี่เขาว่ากั้นพวกนี้ก็เลอกศึกษาหินนิยานไม่รู้ธรรมหินนิยานเออเข้าว่าหินนิยานใจคับแคบมุ่งเป็นอาลังในมุ่งเป็นภูที่จัดจูงตีหินนิยานหินนิยานก็โจูตีมหายานบอกมหายานน่ะเอาเรื่องของพระมาใส่เยอะแยะที่ไหนมีหนุ่มตังเก่งตีป้อมแป้งอะไรก็ไม่รู้กินข้าวเย็นไปว่ากั้น เลยเต็มตีลื่นนิกายเลยไม่ต้องรูกธรรมะทั้งสองฝ่ายกันเลยความจริงจะว่าเป็นนิกายอะไรก็ตามเถอะเป็นลูกศิษย์ตุติจาก็มาณักยะปุตติโยแ ล, แล้วเรากราบได้ทั้งนั้นเป็นสุปฏิปโนหมดไม่ใช่ว่ามาอาญเขาไมารับถือว่าพูดไมื่หลายเขาจะพูดติดตาตาดาเหมือนกันนี่นะนี่นะครับอันนี้เพราะฉะนั้นการเราถึงจะเป็นนักศึกษาที่ดีอะ อย่าไปสังกัดนิกายต้องศึกษาทุกนิการศึกษาธรรมะทุกติมีในพุทธศาสนาแล้วความรู้เราจะกว้างขวางใครมาจากประตูไหนแล้วก็อ๋อนี่ธรรมะจากนิการนี้ธรรมะมาจากนิกายรโนะเรารู้เพราะฉะนั้นอย่างผมเนี่ยผมศึกษาทุกนิการเลยพระไตรปิฎกอินญาณก็อ่านถ้าไปมีปิฎกมหายานก็ค้นคว้าอ่านหมดแล้วเราก็ตัดสินได้ว่าอันไหนแท้อันไหนเป็นของแปลกปลอมมาทีหลังอันไหนเป็นพุทธธรรมะอันไหนเป็นมติของเอกิอาจารย์เราก็รู้อ่ จังประเด็นเรื่งองว่าจิตไม่มีอารมณ์ก็เลยประเด็ น, นนี้นะครับประเด็น น, นี้ตั้งมาเป็นมติของคณ า, าจารย์ใ น, นิในกเป็นคณะหนึ่งนิ่ไกเซนอ่ะมีหลายพวกแบ่งหลายสาขาแล้วแต่ละสาขาไม่ใช่ว่าเห็นข้องกันหมดนะว่าจิตไม่มีอารมณ์เป็นเพียงคณ ะ, ะ, ะ, ะหนึ่งเท่านั้นเองอ่ะคณะหนึ่งคณะหนึ่งคณะนี้เป็นคณะอาจารย์ฝ่ายใต้นิ่ไกเซนฝ่ายใต้และประเทศจีนฝ่ายใต้ใเ้นฝ่ายเหนือไม่ยอมรับว่าจิตไม่มีอารมณ์จิตต้องมีอารมณ์สิ ไม่มีอารมณ์ไม่ได้ไม่มีอารมณ์ไม่ใช่จิตนี่เซนฝ่ายเหนือเขาว่างั้นเซนฝ่ายใต้เขาว่าจิตต้องไล่อารมณ์ให้หมดแล้วนั่นแหละเป็นพุทธะพุทธะพุทธภธาตุอยู่ที่นี่ว่างั้นนี่กายเ้นฝ่ายใต้ว่าอย่างนั้นนะครับแต่นี่กลเส้นฝนือไม่ได si <conditions> ้จิตไม่มีอารมณ์ไม่ได้คือจว่าจิตแล้วต้องมีอารมณ์นี่นี่กาเเซนฝ่ายเหนือก็เข้ากับพวกอภิธรรมในเมืองไทยเราลังอภิธรรมในเทรวาไม่ใช่เมืองไทยหรอกเทรวาเทรวาจะว่าเมืองไทยไม่ได้อภิธรรมในเทรวาทนี่แหละกาวบอกว่าจิตต้อองมมีารณ์ นิ่กายมาเซนฝ่ายเหนือก็บอกว่าจิตมีอารมณ์แล้วก็นิกายมห ah ายาณไว่ว่านิกายโยคาจารย์ายา น, นิกายธรรมลักษะนะนะแล้วก็นิกายมาธยามิกาอันเป็นิกายสําคัญในพุทธศาสนามหายาน่ะก็บอกว่าจิตมีอารมณ์ทั้งนั้นมีแต่นิกายเซนฝ่ายใต้เท่านั้นที่บอกว่าจิตไม่มีอารมณ์ปัญหานี้จริงไม่จิตปัญหาใหม่เขาเถียงกันมานานแล้วพันพันปีแค่วันหานี้พันพันปีแล้วเรื่องเก่าล่าใหม่ครับเรื่องนี้ครับ เหมือนอย่างก็มาจิตเดินแท้เหมือนกันว่าจิตปรพัดสอนที่คุณหมอว่าอการดุจกิเลสจางมาเพราะจิตปพสอนนี่แหละเป็นจิตบ้างละปัญหานี้จะไป็นปัญหาเกิดในเมืองไทยเร็วๆนี้ยังจะมาอินเดียโน่นนีกายพุทธศาสนาในอินเดียพวกหินญาณนะหินยาณแบ่งหวนิกายในอินเดีย18นิกายละอินเดียน่ะพุทธิจาย์นิพพานไปแล้วหลายีพุทธศาสนาฝ่ายหินญาณของเรานี่นะแบ่งจนสินิกายตั้ง18นิกาย ติดแปดนี้กายก็มีมีกายใหญ่คือนิกายมหาสังกิกานิ่กายมหาสังกิการบอกว่าจิตเดิมแท้บริสุทธิ์ประทัดระมีดังติดตังพิฆ เ, เวยเนี่ยดูกองพิสุดทั้งหลายธรร ม, มชาติจิตประทัดสอนนีกายมหาสังกิการไม่แปลประทัดตอนแล้วแปลบอกว่าบริสุทธิ์เลยบริสุทธิ์เลยจิตว่างบริสุทธิ์แต่ดั้งเดิมมาเลยทีเดียวที่คุณหมอตายก็เขาว่าไอ้กิเลสถ่ายหลังมาเจอมาหรืนเป่าอ่าง อีกนิกายหนึ่งคือนิกายตระวาปติวาตเป็นหินยานเหมือนกันนิกายตระวาสติวาตบอกไม่ได้ไม่ได้ทวังนี้ผมไม่รู้ศาสนากรรมฐานแล้วแยกแยกคำาสนากรรมกันเราแยกพูดกันดีกว่าผมไม่เห็นด้วยคํานี้ไม่ใช่แปลว่าจิตบริสุทธิ์คํานี้หมายเพียงแต่ว่าไม่มีนิวรณ์มามาเครือบแฝงนั่นเองเป็นทวังขจิตเหมือนอภิธรรมเทระวัตนี่นิกายตระวาปฏิวาตรมหาสังกิตกัสละวาสติวาตรก็ลงมาทะเลาะกันในเรื่องนี้ในเรื่องจิตบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์ทะเลาะกันเรื่องจิต เพรนั้นปัญหาพวกนี้นลลพิจารณาไปแล้วพาเราศึกษาพุทธศาสานาทุกทุกดีกายแล้วเป็นเรื่องหน้าหัวรอกคือไม่ใช่เรื่องใหม่เรื่องเขาหกเพียงมาตั้งแต่ในอินเดียข้างกันน้นแล้วครับเป็นอย่างงี้ครับวันนี้อ า, อาตามายอยากขอถามมีเรื่องหนึ่งคือว่าอาตมาม า, มาที่ได้มาศึกษาอริยธรรมนี่หระมาทีหลังเพื่อนเพื่อนนักศึกษามาสมัครที่เมื่อวันที่หนึ่งคันวา น, นะ่ะคือมามาอ่านดูแล้วก็มาอ่านถึงชาว น, นาจิตน่ะ เมื่อหากมาอ่านถึงาำ น, น้นจิตมีความคิดเกี่ยวกับเรื่องขันห้ากต่ขึ้นมาว่าพระวังพะจิตพวังพระจิตนี้หมายถึงจิตที่มีอาเรมันเป็นส่วนดีที่มีในที่ที่ท่านได้เขียนไว้นั้นใช่ครับบัด น, นี้อาจะมาอยากจะขอถามว่าเมื่อขณะใดจิตเริ่มลงสู่พวังเคยนีไ้ได้ขึ้นสู่วิถีส่วนเป็นอติมหันการลม รับรู้ส่วนใดส่วนหนึ่งทางปัญจทวาร น, นั้นจะควรเลือกว่าในขณะจะควรเลือกในขณะนั้นว่ารูปนั้นเป็นขันห้าได้หรือไม่ในขณะใดาที่จิตไม่ขึ้นอารมณ์อยู่ในพวังขณะใดาจิตที่เลืมลงสู่พวังโ้มลงสู่พวังเช่นนอนหลับ<ะ> ในขณะที่นอนหลับนั้นจะเรียกว่าลูกนั้นเป็นขันห้าได้หรือไม่ลูกนั้นเป็นขันห้าได้หรือไม่รครับจเจริญพรลูกอะไรครับที่ท่านหมายถึงนี่อุ่เจร<ะ>ิญผู้นอนหลับนั่นแหะลูก ไ, <ม>ไม่ใช่ได้สิครับถ้าเป็นมหากรุตุลุปตาไทลุกจะเป็นขันห้าอยู่ทุกขณะจิตและท่านแต่ว่าในขณ ะ, ะนั้นน่ะรูปายจนหนานี่ยไม่มีเพรบัด น, นี้หมายความว่าหมหาสวายาวาชยนี้เมื่อหากนามนั้นไม่ขึ้นสู่วิถีองค์ของเสียมที่เป็นขันห้าคือเวทนาสั ญ, ญญาสังขารวิญ ญ, ญาณเลยไม่ได้มีปรากฏแม้แต่ประการใด ถ้ารับแรง ว, ว่าส่วนนั้นเป็นขันห้าจะไม่ผิดกับพระดำรับของพระพุทธเจ้าหรือว่าขันห้านั้นคือเวท น, นาสัญญาสังขารนิ ญ, ญ, ญานอ๋อทำไมท่านบอกว่าขวังขจิตไม่มีสัญญาเวทนาแล้วครับมีสิครับมีไม่ใช่ไม่มีขันหามีพร้อมท่านทุกขณะเลยตราบใดยังไม่ถึงอุ ป, ปาทาทททสิเสสานิพานแล้วตราบนั้นละก็ขันหามีทุก ข, ขณะไม่มีว่างเลยหรอกครับนอกจากไปจิตในในปปฏิสุทธิในจตุวการและเอกวการซึ่งมี ตามภูมิธรรมก็ well. ขันสี่กับขันหนึ่งถ้าอยู่ในปัญจุบกาแล้วไม่มีขณะพรที่จะว่างขันห้าเลยไม่มีเลยคือคือคืออาตมามีความสงสัยแค่นะคะี้เช่นมาดูในส่วนมโนมัันนมมโนมโนกิจน่ะมโนวิถีกิจน่ะมีคําหนึ่งที่ปากกดวว่าเป็นอวิภูตาลมอวิภูตาลมเจริญพรคือคือมีอารมณ์ที่ไม่ปากฏอันนี้อาตมาเลยมาคิดในความหมายของตัวเองว่า พนาใดอารมณ์ที่ไม่ปรากฏนั้นเวทนาอารมณ์ไม่ปรากฏอารมณ์ข้างนอกมาไม่มากระทบไม่มาปรากฏแต่ว่าอารมณ์ข้างในที่เขวาวังถือเอากรรมนิมิตกตินินิดเป็นอารมณ์มีอยู่นี่มีอยู่นี่ครับสัญญาวทนาท่านอย่าลืมนะครับเป็นสปจิตสาทานนะเจรศิกเนี่ยมีทั่วไปเป็น ส, สาสนะลีลาจิตทุกดวงนะทั้งอกุศลทั้งอัพยากตะทังกุศล น, นะ นี่ย่ตัญยาวรวทนาเนี่ยถ้าใช่ตหมถ้าระวังกัจิตนี้ไม่มีความลักษณะรับรู้อารมณ์ใช่ไหมมีครับมีอารมณ์เขาระวังกัาางจิตไม่มีลักษณะที่รับรู้อารมณ์ที่มากระทบกับจิมมู<ะ>้อารมณ์ในกรรมนิมิตอารมณ์กรรมกรรมอารมณ์กรรมนิมิตอารมณ์คตินิมิตอารมณ์อันใดอันหนึ่งในระวงังไม่เคยว่างจะอารมณ์เลยในระวังก็ยังมีอารมณ์สามอย่างอันใดอันหนึ่งนะครับเช่นเช่นเมื่อเวลาคนนอนหลับก็มีก็มีอารมณ์อารมณ์ของรวังเองคือกรรมนิมิต คติขีมิตแต่แต่ไม่ได้หมายคขาว่าอารมณ์ในปัจจุบันที่ปรากฏไม่ได้ใช่ไห้ไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่แต่มีอารมณ์ในพวังเองใช่ไหมใช่ฮะอารมณ์ในพวังคืออตีตาลมอารมณ์ในตั้งในขณะที่ในบรรดาสนวิถีในชาติก่อนเอามาเป็นอารมณ์เป็นอารมณ์เดียวกับปฏิทินที่อันนี้เป็นปัญหาซึ่งอาตมาได้มาอ่านแล้วกระทำความหมายแล้วเกิดขึ้นในใจอันนี้ก็รู้สึกว่ามีความกระจ่างในเรื่องเกี่ยในเรื่องเกี่ยวกับพวังนี้ดีแล้วครับจึงขอหยุดถามปัญหาติดเชิงที่นี้ครับครับขอบคุณนะ ท่านผูท่าท่านเข้าใจเรื่งจิดว่างท่านเข้าใจโผกนี่ครับผมอ่านหนังสือท่านพิจารณาหลายตรุแล้วก็ไม่เห็นท่านพูดเลยเป็นผิดพลาดอะไรนี่ที่ท่านบอกว่าจิตว่างน่ะคือหมายถึงว่างจากโลกโดดหลงท่านเน้นคํานี้เลยคือว่างจากโลกโดดหลงไม่ใช่หมายควาว่างอย่างศูญยากาศท่านกพูดอย่างนั้นอะไรครับว่าจะวางอะไรครักินด้วยจิตว่าไอ้กินด้วยจิตว่าง ของท่านนะ่ะคงจะหมายความว่าให้กินด้วยที่ไม่มีกิเลสนังอย่างเราพิจารณาปฏิสังขารโยกินไม่เจอเลยจะตกแต่งประเทืองหิวไม่เจอเลยที่จะบำรุงกามกินกินด้วยจิตว่างจากโรคโกรหลงกับมั้งปฏิสังขารโยนี่แหละกินด้วยจิตว่างผมเดาเอานะท่านที่อ่านหนังสือท่านนะ่ะพก็คงจะทํางานด้วยมีสติสัพพัญญามังไม่ถือเราถือเขาไปอัตตาอัจฉริยะมั้งผไม่ใช่ท่านนี่นะ ถ้าเป็นถ้าทในจิตว่างอย่างที่ทราพุทธภาสว่านะก็ต้องอยังตามก็ต้องเป็นโสดาบันขึ้นไปว่างว่างตามท่านภูมิของท่านไม่ใช่แล้วคือว่าอานน่ะว่างจากมิจฉาทิฏฐิท้าจะว่าไปแล้วนะ ว่างจากมิจฉาทิจฉีว่างจากสีลับประจักประมาทน่อันเป็นภูมิทร้งโสดาแต่ที่ร้องไห้เนี่ยถ้าอานนท์เขาว่าราคาโสดายังล่าะไม่ได้นี่ราคาเขาว่าราคายังละไม่ได้ความอุปาทานความติดความรักในผู้แต่งมีอยู่เต็มแปะในดวงจิตเพราะฉะนั้นที่ร้องไห้ร้องไห้เทะลักผุ้แเจ้าว่างจะครอบภูมิท่านคือว่างจากสีลับปรักษประมาทว่างจากเออเอเอสักยะทิจฉี 4, ตามท่านภูมิคงจะเป็ทํานองนั้นเข้าใจว่า เป็นความว่างของสักงขยาที่ติดเช่นนั้นใช่ไหมคือว่าท่านถามว่า อ, อนนร้องไห้ถ้าจิตว่างทำไมถึงร้องไห้ได้แต่ว่าสงสัยอยู่ว่าการที่ร้องไหนะ้น่ะท่านไม่ได้ร้องไห้โดยอกุศลบางอย่างเือเข้าใจว่าในขณะที่รนะ้องไห้น่ะอกุศลก็สู้ได้เกิดได้นี่โทสาจิตก็เกือก็สู้ได้นี่ครับเกิดได้นี่ภูษามูลวมูลยังมีแปดดวงอกุศลแปดดวงน่ะโลภะมูลละได้เฉพาะที่เป็น อ, อยานวิปยุทธ เพราะฉะนั้น ใ, ในการร้องไห้ของผ้าอันนอนนี้ก็คงไม่ใช่ร้องไห้โดยจิตว่างๆอย่างนั้นนะไม่ใช่ร้องไห้ไม่ใช่ชจิตร้องไห้แต่จิตว่างเลยอ่าและยังสงสัยอยู่อีกสักตอนหนึ่งในปัญหาพญามีรินมีความในตอนหนึ่งว่ามีพรามคนหนึ่งแนมะ่อยากดูพักคุยหักของพระพุทธเจ้าแล้วพพระพุทธเจ้าคงเปิดพระคุยหกักนัน้นนะให้ดูโดยเป็นแสดงเป็นนิมิตไม่ใช่เปิดครับ ไม่ได้เปิดอธิษฐานให้เห็นนะคร<อ>ับอธิษฐานให้เห็นน่ะครับไม่ได้แวกเอาข้ากระเบืงมาให้ดูนะผิด พ, พุทธาจจะผิดอาจารยวัดพุระเจ้าท่านผู้ดีท่านทาไมรู้ว่าแวกกระเบืงเปิดให้ดูโตเกินไปไปทําหรอกโอ้อธิษฐานให้เห็นนั่นเองอ่ะเห็นเป็นอะไอธิษฐานด้วยมอธิษฐานอะไรก็แล้วแต่เธออยากจะรู้ว่าตรงนั้นนะครับพระพุทธองค์ให้นิมิตให้ให้ดูหนะ้านิมิต ด, ด้วยจิตว่างๆใช่ไหม การแสดงธรรมของพระ อ, อรหันตะ์หรือพรนะพุทธเจ้าไม่ใช่อยู่ได้ในจิตว่างทุกจิตสี่ชั่วโมงนะเพราะจิตพระอรหรนะันต์ตกทู่มกามาวจอนเหมือนกันมะะรครคจิตพขากจิตเมื่อทําจิตแล้วก็เลิกกันไม่มาติดตอ่ออยู่กันอีกถ้าขึ้นติดตอ่อกันเรื่อยไม่ต้องสอนคนอยู่ในมีนิพพานในอารมณ์เลื่อยไปเลยเลยสับโลกไปขาดประโยชน์ที่พระพุทธเจ้าสอนสัดย์ใจที่พระองค์ตกกามาวจอนสอนคนเคราขึ้นรูปดาวจรจั กำหนดว่าจะไปสองในกองในขอผู้ถอยคําอะไรต่างๆเป็นกามาวตร จ, จระเจดจิตทั้งนั้นโอภาณะจิต ท, ทั้งนั้นแต่เป็นฝ่ายกิริยาถ้าเป็นมหากุศลก็เป็นฝ่ายมหากิริยาใช่มหากิริยาจิตเป็นส่วนมากพุทธเจ้ากะพราละหัน<อ>ใช่มหาก<อ>ิริยาจิตใช่แนงความว่างในที่นี้ก็คงหมายาว่างจากกัตตาญาติทีเท่า น, นั้นใช่ไหมไม่ใช่ความว่างของพุทธเจ้าในที่นี้นะหมายความว่าว่างในขณะที่ท่านทำมทรรคจิตทุรจิตให้เกิดแล้วโลกดวหลง ก, ก, ก, ก็ว่างไป แต่มาจิตที่เหลือนั้นเราไม่เรียกใม่ควรจะเรียกว่าว่างหรือไม่ว่างเพราะเป็นเพียงกิริยาแล้วโลกุตรากิริยาก็ไม่มีนี่ั่นก็ศึกษาแล้วโลอุตรากิริยาไม่มีใช่ไหมเพราะฉะ้นิตที่เหลือจากที่พระเจ้าบางคับธุรกิจเนี่ยจึงไม่ใช่รู้อุตรากิริยาจิตจึงว่าผิดว่างจึงไม่มีแต่ถ้าว่าเป็นจิตที่ทํำด้วยม้ากิริยาม้ากิริยาแปดดวงโดยม้าชายม้ากาาิริยาแปดดวงกับชายอเหตุกะจ18ทํางานธรรมดา ยกเวนอกุศลสันติระณะนะสะทอกนะอ่าอันที่โอกาสธรรมดาทางทวารหกเนี่ยต้องมีเป็นประจำล่ะเพราะเป็นอ่านว่าจิตนั้นไม่ว่างจากอารมณ์ครับแต่ว่ า, าว่างจากอารมณ์ไม่ได้นะเข้ามาจิตว่างจากอารมณ์คิดหล่ะ อ, อภิธรรมนะครับไม่ขึ้นชื่อว่าจิตแล้วตามแนวอภิธรรมนิกายเทรวาดจะต้องมีอารมณ์อยู่ด้วยไปคําว่าว่างจากอารมณ์มีไม่ได้คืนว่าว่างจากอารมณ์อภิธรรมนิกายติเทระวาดจับว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่ว่าตามคติเทรวาดว่าอย่างนี้ แต่ถ้าว่าตามคตินนกายเป็นฝ่ายใตย้เขาบอกว่าไม่เป็นต้องว่างจากอารมณ์ถึงจะบรรลุพุทธะได้เขาว่างัน้นถ้าหากว่าจะมีใครเขาเห็นว่าทุกเนี่ยทุกขสัตย์นี้มันดับลงไปจริงๆแล้วทุกขสัตย์อีกส่วนข้างหน้ามันก็ยังไม่เกิดในระยะที่ทุกขสตัตย์อันเก่านี้ดับลงไปแล้วทุกขสัตย์ใหม่ก็ยังไม่เกิดตรงนั้นจะนบับว่างไหมอันเก่าดับลงไปอันใหม่ ย, ยังไม่เกิด ได้ทุกกระสับอันเก่าดับไปอันใหม่ยังไม่เกิดนะฮะจังหวะนั้นเลยครับจังหวะนั้นจะชื่อว่าว่างไหมไม่ได้ครับเขาบอกว่างในที่มีจํากัดความหมายเพียงแต่ ว, ว่าว่างจากโลกโดดหลงนั้นเองเพราะฉะนั้นในขณะนั้นนะ่ะเราจะ ว, าว่าโลกโดดหลงไม่มีไม่ได้มันมีอยู่แต่ไม่สแสดงพฤติ ก, กรรมมีอยู่ไม่สแสดงพฤติกรรมพอขณะที่เราไปเห็นนั้นมันเห็นด้วยปัญญาเห็นความว่างคือความดับของทุกกระสับนั้นนะ่ะครับ เห็นทุกข์กระสัดับลงไปสนิทย่างไงน่ะหลังจากทุกข์กระสัดับลงไปแล้วไม่มีอะไรทุกข์กระสัใหม่ก็ยังไม่เกิดขึ้นการที่ใช้ปัญญาในมรรคจิตเข้าไปรู้ตรงนี้จะชื่อว่ารู้ความว่างไหมรู้ความว่างสี่ธรรมะขศาที่อ้างแล้วก็มรรคขศาทุกอันจะต้องทำให้ยึดดีความว่างว่างนี่ว่างจากอกโกร๋งนะไม่ใช่ว่างจากว่างจากอย่างอื่นนะครับ ต้องว่างจากโรคเกิดหลงอารมณ์ใจอกุศลว่างอกุศลเจตสิกว่างว่างอย่างนี้ไม่ใช่ตัวมันเองคอไม่มีไปด้วยไม่ใช่นะตัวมันเองมักมักมีอยู่ต้องมีอนิพานในอารมณ์นี่ตั้งแต่โคตรตะพูกอนิภารในอารมณ์แล้วจิดในขณะนั้นอ่ะเพราะนั้นเขาว่าจิตว่างในที่นี้มายั้งว่างจากกิเลสอันสมควรแก่ชั้นภูมิที่มักขจิตกระพึงละตะพูดอย่างนี้ตะพูงกว้างผู้วราจิตว่างทำเดียไม่ได้ก็บอกว่าว่างว่างจากกิเลสอันสมควรแก่ชั้นภูมิซึ่งมักขจิตจะพึงละ แต่ว่าในขนาดใดที่เราไม่ได้เห็นภูกษัตรเนี่ยแล้วเรามากินอาหารก็ดีหรือเราจะทำงานก็ดีว่างไม่ได้ร้อกมันว่างไม่ได้ไม่ได้ไมันต้องมีอารมณ์เพราะฉะนั้นตอนหลังของหนังสือของพุทธชาตที พิมมาแจกนั้นน่ะที่ว่ากินด้วยความว่างว่างยังสงสัยอยู่มันกินยังไงนี่ไงฮะถึงบอกว่าสํานวนในหนังสือเนี่ยถ้าจะเอาหลักอภิธรรมไปเทรวาสมาจับก็บบแบบขัดแย้งกับหลักอภิธรรมเทรวาสแต่ถ้าเอาความลุกคิดอ่านขาองนี่ไกเซนฝ่ายใต้มาจับก็บอกถูกต้องแล้วเรือ่องนี้นเราซีเราทีเราค้างทุกวันนี้น่ะคงจะข้าน์ตามแนวอภิร ธ, ธรรมเทรวาสแต่นี้อย่างท่านพูดน่ะท่าก็อาจจะพูดตามแนวของนี่ไกเซนฝ่ายใต้ก็ได้เพราะผมรู้ว่าท่านก็ศึกษานี่ไกเซนมากเรื่องนี้ ถ้าหากว่าเราใช่ของนิกายอื่นเข้ามาเจือปนในพุทธศาสนาแล้วอย่างเนี้แทนที่จะทําให้พุทธศาสนาเจริญอย่างที่คุณว่าคุณเรียนทุกๆุกศาสนาแต่ว่าอย่างนั้นมันจะทําให้ศาสนาเจริญได้อย่างไรในเมื่อเราพยายามเอาไ้ธรรมะนอกศาสนานีไม่ใช่นอกศาสนาคับไป่ใอ่ะเป็นศาสนาพุทธนี่แหละนอกลัทธินอกลัทธิ เพราะฉะนั้นในประเด็นปัญหาข้อนี้ก็ต้องอยู่ที่ตัวผู้เผยแผ่เองว่าจะกําหนดว่าเรานี่น่ะจะประกาศทุกศาสนานิกายไหนตออย่างนี้ต้องถามตัวเราเราจะประกาศตามคติเทรววะหรือจะปร ะ, ประกาศตามคติฝ่ายมห ah ายานต้องถามอกต้องต้องต้องถามอย่างนี้นะฮะแต่ถ้าจะว่าไปแล้วต่อไม่ใช่พูเข้าข้างนะครับพูดไปแล้วต่อผมเห็นว่าธรรมะใ น, นนิกายเทระวะเนี่ยบริสุทธิ์บริ บ, รบูรณ์ยิ่งกว่านิกายอื่นต้าเข้าพิธผมศึกษา ม, มาทั้งเทระาะทั้งมหายานทุกนิกายผมเรียนรู้มาหมดแล้ว เมื่อสรุปผลแล้วรู้สึกว่าธรรมะในมีกายเทววัตของเราเนี่ยบริสุทธิ์บริบูรณ์ยิ่งกว่าคนอื่นเขานี่กายอื่นเขาเน่ะมีอะไรสี่ดัดแปลงไปตามเกจิอาจริย์วาฏพักษ์เนี่มากเป็นอย่างนี้ครับรู้สึกอย่างงั้นเพราะฉะั้เราเผยแผ่คติเทววัตเนี่ยถูกแล้วแล้วที่เราเรียนอภิธรรมเนี่ยก็ถูกแล้วอภิธรรมเนี่ยเกิดขึ้นเพื่อจะแก้ปัญหาเรื่องต่อต้านเรื่องเกิดนานาวาทขึ้นมาอย่างพระโมคคิริบุตรติเทวเจ้าแต่งกระถาว่าถุทำใมีกระถางวัตถุเนี่ย ในคำภีกระถาวัตถุน่ะมีข้อแก้ล้างหากล้างวาระนี้กายอื่นตั้งสองร้อยกว่าวาระกระถาวัตถุนี่แหละอภิธรรมในที่เราเรียนเยนกันเนี่ยเรียนเฉพาะอกคำพีทิ้งกระถาวัตถุแต่หารู้ไหมว่ากระถาวัตถุนี่ยสำคัญจิตรเพราะอินเดียในครั้งตอนนั้นผมได้เรียนในศาสตร์แล้วว่าเทรวาตเองนะ 8, ่ะแตกเป็นสิบปดพวกสิบปดนิกายต่างนิกายต่างมีอภิธรรมมีไตรปิฎกของตัวเองมีข้อปัญหาทางศัฒนะทางธรรมทางวีัยแตกตา่างกันไป แล้วพระโมคคีบุติดตรัสถึงเป็นพระเทระพายเทระว่าบริสุทธิ์ท่านก็ร้อนใจเห็นว่าตัวพระเทระว่ามีนจะแขวะไปฟังนิสิของอาจารย์ใีกายอื่นแล้วจะแขวะจึงได้แต่งคาถาวัตถุขึ้นมาเพื่อปิจารชุมนุมคําถามคําตอบว่าในกายอื่นเ้าว่างนี้เทระว่าเราจะต้องตอบเขาอย่างงี้แก่อย่างงี้ตั้งสองรยกว่าวาคาถาวัตถุเนี่ยเออคำพิเด่นนี้่คำพิเด่นนี้หากว่ามีโอกาสนะผมก็อยากจะนํามาสอนด้วยกันมานำมา ปัญญาไอ้สพักคุณจ่ารู้เหมือนกันคำพี่เร่อนี้แต่ว่าละเอียดมากคิดประานไือเกินไปปาสักขา่พุทธตมาคมแห่งประเทศไทยให้ชื่อว่าวิจัยคำพีคาถาวัตถุนึกว่าผ่าวันเสาร์ที่เนตรงกับวันอุโบสถไปปาสักขาถึงบัดนี้พึ่งไปได้เพียงสองครั้งสามครังนั้นเองยั ง, ยงจบเพียงปัญหาหนึ่งข้อหนึ่งมีตั้งสองรอกว่าปัญหาซึ่งปาสักขาไปจบไปข้อหนึ่งถ้าจบทั้นคำภีร์เห็นแกชีวิตจะสั้นเกินไปสมมต มาแต่คาถามาสองปี่งจบไปหนึ่งปัญหาหนึ <c> ่ง <oughs> ปัญหาเขาม่คาถาว่าหกเดียสองพันสํงพันอย่างยิ่งเลยปัญหาหนึ่งจิตว่างไม่ว่างมีอยู่น้นัเต็หมดเลยมีนู้นั่นแหละเป็นปัญหาของนีกายมหาตัิกะเขาถือบริจิตเดิมแท้บริสุทธิ์จิตว่างจากกิเลสเนี่ยมหาติกานี่กายนี้คือนีกายมหาตัิกะเทระวัและคัดคา เพนั้นการศึกษาเนี่ยถ้าเรารูละละละ้หลไรในกายเขาเราก็รู้สิว่าอ้อมติของอ า, อาจารย์นี่เอามาจากนีกายนั้นมาพูดในกายนั้นแล้วนี่เข่าเข้านีกายนั้นอ้ออธิบายอย่างนี้มาเข่าเข้านีกายนี้เรารู้หนังสือธรรมะในเมืองไทยที่มีชื่อเสียงเล่มหนึ่งนะฮะเรื่องเพชรในหินท่านอ่านเคยอ่านบ้างไหมฮะกรมหืน่นวิวิทย์มณีชาเขียนเพชรในหินผมอ่านเพชรในหินปั๊บผมรู้แล้วเอามาจากไหนไม่ใช่เทรวัตธรรมะเอาจากธรรมะเทราวัตอธิบายแต่ลูกมาจากนีกายมหาญาณในกายหนึ่ง คือว่านีกายทูตัตตาวาทินถือว่าจิตอมตะจิตเป็นผู้รู้ขันผู้ปล่อยขันผู้วางขันจิตไม่ใช่ขันจิตไม่ใช่วิญญาณนี่ก็ขันละกับอิธรรมสิอภิธรรมบอกจิตคือวิญญาณขันอันเดียวกันแต่มติในหนังสือเพชในหินของกรมมือหมื่นวิวิตมณีปิชาน่ะท่านแสดงว่าจิตนี้บอจิตเที่ยงเป็นจิตอมตะจิตเป็นแก่นไตรภพนิทานคือจิตจิตคือนิพานจิตไม่ตายที่ตายไม่ใช่จิตเป็นอาการของจิตคือวิญญาณ ปิญญาน่ยเป็น่เป็นตัวจิตเป็นอาการของจิตเนี่ยเนี่ยถ้าาว่าเรามาอ่านเอายังพวกศึกษานีกายเขียนินีกายเดียวคือเทระวันมาอ่านก็โวยวายโอ้นี่มิชาพิชิตไม่ได้แล้วโอ้ยแต่ตาโวยวายใหญ่แต่ผมไม่ววายเพราะอ่านรู้แล้วอ๋อท่านผู้นี้คงจะอ่ า, อานจากคำลาปรังเอานิกายของมหายาณ น, นกายหนึ่งูตตตากวาดเอามาเขียนรูลแล้วนน เ, น เ, นเนี่ยเพราะนี่เพราะการที่เราเป็นผู้พูดสูตรศึกษาละลายนิกายเนี่ยได้ปริบเข้าได้ปริบเข้ามากครับ วันนี้นจะขอผู้คนในเวลานะครับขอจบเพียงเท่านี้นะครับอถามาถาา ว, าว่าอาลาันหรือเปล่าไม่ไม่พบที่มาที่ไปเหมือนกันว่าท่านมูนี้จะเป็นอลาละันหรือเปล่าแล้วก็สงสัยครึ่งนี้ก็ไม่เคยพบที่ไหนเลยนอกจากที่แห่งนี้แห่งเดียวว่าสุรานะในจุลวาฯคือในพิฎกในจุฬาฯว่าเป็นสุรานะจะเป็นองค์เดียวกับท่านปุณณะหรือไม่ถ้าเป็นองค์เดียวกับท่านปุณณะก็ต้องเป็นอหาหะันปุณนะมันตานีบุตรซึ่งเป็นเป็นเอตชัดค้าในทางธรรมกระถือเหมือนกันสุรานะมันตานีบุตรคงไม่ใช่สิครับ ไม่ใช่ผมตามความเข้าใจของผมนะฮะไม่ใช่องค์เดียวกันนะฮะตามความเข้าใจของผมเนถูกผิดไม่ทราบนะครับไม่ใช่องค์เดียวกันหลกักฐานประวัติทันตุรนาคไม่มีเลยไม่มีเลยอาชญาศาก็ไม่แก้ไว้เลยเป็นใครมาแต่ไหนแต่ว่าสังเกตดูเป็นผู้มีอิทธิพลมากอยู่มีอิทธิพลขณะพระม้า ก, กระศบเกรงใจขณะพระม้า ก, กระศบป้องต้องมาบอกแจ้งให้ทราบว่าพวกท่านน่ะทำํำทันตัญนาเสร็จแล้วให้ทันตุรนาครับรู้อนุโมทนาด้วยถ้าเป็นข้าแค่นู่น้อยพระม้า ก, กระศบทำไจะต้องมาบอกมาเล่านี่อันนี้สําคัญมาก ท่านสมุตโตพิคุถามมาว่าอาตมาขอเรียนถามพระมีความข้องใจทําไมพระมหายาณนัน้นในกายมหายานต้องสร้างโบสถ์หันหน้าพระพุทธรูปลงไปทางทิศที่มีแม่น้ําเป็นเหตุหนึ่งมาจากเหตุไรถึงเป็นเช่นนั้นไม่จริงล่ะครับไม่จริงเลยที่ว่าต้องสร้างโบสถ์พระพุทธรูปหั น, ปนไปลแม่น้ำเนื่องสร้างโบสถ์หันพระหน้าพระไปลงแม่น้ําอาจจะเป็นความนิยมของผู้สร้างไม่มีกฎบัญญัติในนิกายมหายานว่าจะต้องสร้างโบสถ์แล้วหันหน้าพระลงแ ม, ม, ม, ม, ม่น้ำไม่มีครับ เป็นความนิยมส่วนบุคคลไปของผู้สร้างนะฮะท่านสุเมโตะพิกุถามมาว่าพระที่เข้าประชุมในวันมาข้าบูชาหนึ่งพันสองร้อห้าสิบรูปพระจําจนวนไหนบ้างที่เข้ามาประชุมกันช่วยนับให้ครบด้วยเพื่อเป็นประโยชน์ในการแสดงวันมาข้าบูชาพวกรูปปิดอุรุเวลากัสปะนาทีกัสปะขยากัสปะแล้วนะครับเนี่ยเข้าไปก็พันกว่าแล้วพันกว่ารูปแล้วมันกว่าเพราะุรเวลากัสปะตั้งห้าร้อยปะเข้าไปห้าร้อยแล้ว นี่นี่แล้วก็ลูกน้องท่านอีกคนอีก500ร้อยเบ็ดเศษ็จเป็นพันหนึ่งลูมทั้งทนั้งสามเ่งนไปหัวหน้าคณะสาวคนที่น้องเป็นพันสามหนึ่งพันสามคนแล้วก็พวกพยศ อ, อีกเพื่อนฝูงพยศอีกหกสิบลูกแล้วก็พวกกุมารพวกกุมารที่ติดตามหาผู้หญิงสาวไปนีไม่พบแล้วผู้ทิจาเอาบวชเสียที่ที่พันสาแรกนั่นะอีกพวกหนึ่งรวมหมดเบ็ดเส็จเป็นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบนะ นะฮะก็มือราชเกื้อพวกคือว่าเมาจากสามพวกนี้แล้วเก็บตกพวกที่บบมือราชคกื้ อ, อีกทั้งหมดสิครับในพรรษาแรกถึงนมบไปถึงก็จริงนะครับแต่ว่าเก็บตกที่บุบที่มือราชคกื้ อ, อื่นๆอีกคือเราจะไปแกะเราจะไปเจรนายบอกว่าทุกๆองค์นี่ต้องมีเขาตาจำจํานวนมีประวัติมาอย่างไรไม่ได้แล้วครับมันเป็นเอเนกสถนทยาใหญ่ น, นี่ว่าส่วนใหญ่นะมาจากนี้มาจากท่านเหล่านี้หนะึ่งพันสองอยห้าสินาส่วนใหญ่มาจากพวกพยศส่วนใหญ่มาจากพวกกุมารสามติดคนที่ตามหา่าผู้หญิง แล้วก็ส่วนใหญ่มาจากบริวารท่านอุลุเวลากับปาพวกหนึ่งนะฮะแล้วก็ส่วนใหญ่ที่มาจากพวกขีดแล้วมรรตเจครือพวกชาลีบุตรพวกบุกก า, านะอีกพวกหนึ่งรวมกันรวมกันครับขมุราชิคืบริวารท่านโกริศะก็อปุปติศะไงฮะมารวมด้วยสิครับบริวารกัโกริศะกับอปุปติศะเนี่ยที่มราตเจครือท้อาสมัยถามมาว่า อาตมาคิดว่าพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่คงจะบัญญัติว่าพิสุนั่งรถเมย์ต้องพาจิตตีพิสุขเครึ่องขึ้นเครื่องบินต้องทุกกฏหรือพิสุออกนอกอาวาออกออกอวักออ ก, อ, อ, กอะไรฮะออกนอกอวกาศต้องทุกภาสิหรืออาจารย์เห็นว่าอย่างไรตอนท่าในหนังสือธรรมบทโดยมากก่อนจบธรรมเทศนาปรากฏว่าพระหูชนาะบรรลุกันเบญญนุนมากแม่เทวดาก็บรรลุเป็นโกรธโกรธคิดแล้วไม่น่าเชื่อ เรื่องโกดกนี่ผมได้เรียนแล้วไงครับบอกว่าเป็นอนเนกกระสังขยาเราจะไปตัดสินถือความตามจานวนเลขไม่ได้แล้วครับเอาความว่ามากเท่ น, นั้นเองเขาว่าแสนโกดแ8ดหมืนสี่พันห้าร้อนี่แปลว่ามากแปลว่ามากแต่คำพูดชนิดนี้ในคำพุทธการเขาเข้าใจกันเขาคนค้างพุทธการไม่ได้ถือตามตัวเลขอย่างเราพูดกันทุกวันนี้หรอกเขาเข้าใจเป็นอีเดียมเขาเรียกเป็นสํานวนฝรั่งเรียกว่าอีเดียมคือสํานวนที่พูด ก, กันแล้วคนข้างนั้นเข้าใจความหมาย แต่คนข้างเราเนะ่ยหางหางสมัยท่านัึง 2,500 กว่าปีเราก็ไม่เข้าใจนึกว่าจะ ต, ต้องลงตัวเลขจริงๆไม่ใช่สําหรับพระพุทธเจ้าจะบัญญัติเรื่องนั่งรถมีเป็นอาบัติหรือขีข่เครื่งบินเปนอาบัติหรือไม่นะ่ะผมนึกว่าคงไม่บัญญัติเพราะพระพุทธเจ้าบัญญัติสีขาวบทนะ่ะดูกาละรูดูเทสะเหมือนกันถ้าพระองค์ทรงบัญชีพถึงบัตินี้อยู่ความจําเป็นการคมนาคมมีอยู่พระองค์ต้องผ่อนผันตามกาลานุการครับอันนี้ต้องผ่อนผันครับคือว่าวินสิขาวบทอันใดถ้าไม่ไม่เป็นรูกวัตชะ หนึ่งไม่เป็นเหตุให้เสียคุณสมบัติทันใจหนึ่งอย่างนี้แล้วก็ทรงอารมณ์ตามกาลเทศะได้อารมณ์ได้ในงั้นพระองค์จะประทานพุทธานุญาตไว้หรือบอกว่าในการที่เราล่วงไปให้ทรงถอนสขาบทเล็กน้อยได้หากต้องการนี่แปลว่าทรงเล็งการไก่แล้วว่าการเหตุการณ์โลกมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงบักเพราะนั้นวินัยเล็กๆ็น้อยๆที่เกี่ยวกับการอุปโภคบริโภคการคมนาคมเครื่องนุ่งหม่ม ก็ต้องเปลี่ยนไ ป, ไปตามการอย่างแพทย์เราว่าเราทุกวันนี้ี่จะใช่ว่าจะสามารถรักษาจารีตของเก่าได้ครบเมื่อไรแล้วก็รักษาไม่ได้สิ่งที่เรารักษากันได้ยังที่สุดก็คือว่าเครื่องนุ่มผมเนี่ยเครื่องนุ่มหผมที่เราห่มกันทุกวันนี้นะฮะไตรจีวเนี่ยถ้าเขาตั้งมีใครมาถามแบบว่าเครื่องนุ่มหผมประเภทใดบ้างที่มีอายุยืนที่สุดในโลกไม่รู้จักเปลี่ยนแปลงคือไตรจีวรนี่แหละไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยสองพันห้กว่าปียังไงก็อย่างนั้น เป็นสไตล์แบบแบบเสื้อที่เก่าแก่ที่สุดในโลกไม่มีแบบไหนเก่าแก่เท่าแบบขึ้นเปลี่ยนหมดแล้วทรงยังวนบ้างทรงสากวนบ้างทรงราชสแตนบ้างทรงลอมพ่อบ้างทรงอะไรต่างๆร้อยแอ่าแม้กระทั่งทรงผมทรงผมพุทธเจ้าไม่เคยเปลี่ยนโกนตะพืชโกนโกนตะพืชไม่เคยเปลี่ยนยังไงก็อยังงั้นประมาณหน้าร้อปีไม่เปลี่ยนเครื่องแบบพุทธเจ้าก็ไม่เคยเปลี่ยนสามถึงกันตะพุชไม่ไม่ไม่เปลี่ยนเลยสีก็ไม่ต้องไปย้อมสีอื่นสีเหลืองตะพืชไม่ไดเปลี่ยนอันนี้แหละเราเรายืนยันได้ อันนี้ไอ้อย่างอื่นเราก็เปลี่ยนไม่ใช่ไหมเปลี่ยนเห็นล้ว่าทุกวันนี้เราก็เปลี่ยนไปตามกาลนุการจะไปว่ามหาญาณเขาเปลี่ยนไม่ได้เราก็เปลี่ยนเปลี่ยนไม่ใช่ไม่ได้เปลี่ยนเราก็เปลี่ยนแปลงไปไปตามอท่านพระสุโธจะเสิญตาวถามว่าพระมาลายเป็นอรหันหรือไม่ดูเหมือนไม่ปรากฏในสาวกหรือนังสือพุทธประวัติก็แน่สิครับพระมาลายน่ะไม่ใช่เป็นพระอรหันข้างพุทธกาลแต่เป็นอรหันชาวลังกาหลังพุทธกาลหลายร้อยปีท่านพระมาลายนะฮะ เมื่อพุทธบริท่าน ส, ส, สุดที่เตโชพิกุถามมาว่าเมื่อพุทธบัตริพานแล้วแต่ที่อาจารย์ว่ามหากัจจายนะยังอยู่แต่ทำไมจึงไม่กล่าวถึงพระมหากัจจายนะเลยข่าวสังคยนา น, นั่นก็เพราะเหตุที่ผมว่าคงจะมาไม่ทันประชุมการคมนาคมห่างไกลมากท่านอุเชนีก็กับกับราชครืดในครั้งนั้นน่ะเหมือนกับทุกวันนี้ประเทศไทยกับอเมริกา ทางไกลมากความรู้สึกคนในครั้งนั้นคล้ายๆอยู่คนลภาพโลกกว่าได้ทางไกลกันเหลืเกินเป็นถือว่าเป็นปัจจามาชนบทนะเราจะว่าไปแล้วเพราะฉะนั้นพระโสดาในละพระโสดะอยากจะบวชรอพระคบองสง์สิทธิ์ลูปยังรอไม่ได้ตายจริงรอแล้วรอเป็นปีๆรอตั้ลหลายปีหาพาระคบสิทธูปในอวันตีชนบทไม่ได้กระทั่งมีพุทธทานุญาตอายวาุวัฒนาท่าในปัจจมาชนบทแล้วห้าลูกก็บวชกันได้พ่อนโลมากับพระโสดะเป็นเหตุนี่แหละ แล้วพระสูตนัน่นเอแหละอุปชาของท่านคือพระมหากัจจายนะสั่งไหวมาเดินทางไปสร้างพุทธเจ้าแล้วให้ทูลขอทรานอนุ ญ, ญาตให้ลดอย่างที่ขาบทเกี่ยวกับจำนวนองค์สงุเวลาจะบวชให้ลดน้อยลงเพราะหาพระในแค่นวันตียากเหลือเกินนี่แสดงว่าการค ม, มนาคมห่างไกลกันมากในครั้งนั้นแต่พระมหากัจจายนะยังอยู่ที่รั้วยังอยู่นะ่ะเพราะมีพระสูตรสุตรหนึ่งในมัชฌิมอนิกายพระเจ้าคุงอวันตีฟังธรรมพระมหากัจจายนะแล้วเลื่อมใสขอถึงพระมหากัจจายนะเป็นสรณะ ท่านกาว่าอย่าถึงอาตมาเป็นสรณะเลยจงถึงพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นสรณะเถิดพระเจ้ากงอวันตีถามว่าพระผู้มีพระพภาคบัดนั้นบัดนี้ประทับอยู่ที่ไหนพระมหา ก, กัจจนะตอบว่าพระองค์ได้ดับขันทพระปฏิปันธ์นแล่นี่จากสูตรเนี้ในในดูไม่เจ็ใบมทัทธุพปินสิกสูตรนะแต่ผมจำไม่ผิดแต่อาจจะคาดเคลื่อนก็ได้อา่าหมายเลขแปดสิบเอ็ดถามมาว่าพระเขียวแก้เมืองรังกาถูกพวกโรมันคัปเอริคเอาครกตําหวานไปหมดแล้ว แล้วส่วนที่มีปรากฏอยู่เดี๋ยวนี้ที่เมืองลังกาเขาจําลองขึ้นหรือขอให้แก้ข้อสงสัยด้วยของจริงครับไม่ใช่ของจําลองไอ้เคาะไอ้ของไอ้ที่ถูกตำเป็นไอ้ของเก๊พระเคี่ยวแก้วมีหลายองค์ชาวพุทธลังกาเขารู้ว่าภัยมีมาเ้าสร้างพระเคี่ยวแก้วปลอไมไว้สาลองหลายองค์ด้วยกันองค์จริงอันนี้ไปทุกซ่อนไว้ในมารายชนบทภาคกลางของประเทศลังกาองค์เก๊ถูกไอ้พวกาวข่าวลึกมันเอาไปมันนุ่กว่าของจริงมาเอาไปตาําเพราะฉะนั้นทุกวันนี้ที่อยู่ในเกาะลังกาเป็นของจริง อาท่านปะทูะทโยภิกขุถามมาว่ามนุษย์หรือสัตว์อื่นก็ตามที่จุดจุติแล้วจะต้องปฏิสนธิติดต่อกันไม่มีระหว่างขัน้นถ้าสัตว์เหล่านั้นสร้างบุญประเภทศ ม, ม, ามาหาบุญชนวิบากที่จะส่งไปให้เกิดเป็นมนุษย์ถ้าตายในเวลากลางวันสมมุติว่าในขณะตายนั้นไม่มีมนุษย์จะเสพตามกันสัตว์จะไปเกิดเป็นอะไรอาตมาได้ยินอาจารย์บางท่านบอกว่าต้องไปเกิดเป็นโอปาติกะก่อนจริงไหมขอฟังเหตุผล โอปติกะน่ะก็หมายก็ว่าเกิดแล้วแต่ที่ท่านบอกว่าไม่ไม่ไ ม, มีมนุษย์เสษกันเสษตามกันในขณะที่ตายนั้นน่ะเป็นข้อที่ท่านสมมุติจริครับข้อเท็จจริงก็เราก็ประมาณไม่ได้ว่ามนุษย์ในโลกตั้งเกิดสามพันล้านเนี่ยจะไม่มีเส้นว่างเชียวหรือถ้าไม่มีมนุษย์ในขมวุทวีปก็ต้องมีมนุษย์ในอุตรคุรุทวีปสิน่ะอุตรกุรุเออยุเทวิเทยุพภวิเทห์เออยัรประโคยานเลย์สามทวีปนี้ยังมีมนุษย์อยู่นี่เนี่ ชมูทวีไม่มีแ้วเกิดในทวีอื่นมีจนหน้าอย่าโก้เลยครับข้อสองเหตุที่พระมหากัดตบปรับอาบัติแก่พระอานุ์โดยไม่มีความผิดในบางข้อเช่นไม้ทูนในภาษาสดาเสด็จอยู่ถึงกับหนึ่งเป็นต้นดูไม่ไม่เห็นจะมีความผิดถ้าที่ข่าประชุมครั้งนั้นเป็นจำนวนถึงสี่ร้อก้าสบก้าองค์เป็นอัลลฮั์ทั้งสิ้นไม่น่าจะตั้งข้อรังเกียจที่มีความผิดแก่พระอานุ์ข้อนี้เป็นประโยชน์ในทางปกครองพระมหากัดตบท่านต้องการสร้างตัวอย่างในทางเด็ดขาด ในที่ปกครองคือท่านท่านอย่าลืมนะครับว่าท่านม้ากับสปะเนี่ยเป็นพระเถละที่แข่งคับในทุรงขวัดที่สุดอาบัดเล็กๆน้อยๆท่านไม่ไม่ยอมให้ข้ามเลยไม่ข้ามเล็กๆน้อยๆท่านไม่มองข้าแข่งคับที่สุดแม้กระทั่งพุทธเจ้าขอร้องว่ากับสปะเธอก็แก่เท่าชราแล้วล่วงการผ่านวัยแล้วอย่าเลยทุรงขวัดเนี่ยประพฤติได้ยากจงรับทหารบดีจีวรเธอเมื่อเวลาเกิดหน้าฝนตรงเข้าที่มุงบังเธอะ ตร ง, ง, งรับมีหน้าบ่อยต้งหักบดีนีมมน่มลชานตามบ้านบ้างเถ อ, อะธรรมะกับยังไม่ทําตามพุทธที่พุทธเจ้าขอร้อบอก่ท่านจะทำท่านอย่างนี้แหละพุทธเจ้าก็บอกว่าเธอเห็นประโยชน์อะไรที่เธอจะดึงดันจะทําอย่างเนี้อ่พระมรรคศพบอกว่าเพื่อจะให้เป็นตัวอย่างแก่พระสงฆ์หนุ่มๆว่าคนแก่อย่างข้าพุทธเจ้ายังทําได้แล้วหนุ่มๆนะเขาจะทําไม่ได้ให้เป็นตัวอย่างแก่ปัจฉิตมาชนาตาชนพุทธเจ้าก็อนุโมทนาบอกดีแล้วสาธุดีแล้วกษั เนี่ยคำมอมูธนาพระกระศพเพราะฉะนั้นเรื่องเล็กๆ็กน้อยๆยที่เรามองไม่เห็นในความผิดนะท่านมรกระศพท่านเป็นคนคิดละเอียดอาบัตเล็กน้อยท่านเลยมองข้างทาละเอียดทียึดหมดเพราะฉะนั้นท่านมาเอาผิดพระอานนท์จนได้ทสำหรับเอาเป็นตัวอย่างว่าคขนาพระอรหันยังต้องอาบัติจะป่วยกล่าวปยายกับพระอุตรชนถ้าหากว่าที่ประชุมปรับอาบัตแล้วยังคืนดื้อดันต่อคัดค้านคําสั่งพระเทระ คัขข้านมติที่ประชุมสงฆ์อย่างนี้จะใช้ได้ที่ไหนถ้าเอาเป็นตัวอย่างถ้าเห็นสุภขขัทาเป็นตัวอย่างนี่สุภัทาบวชเมื่อหายแก่ผู้เฒ่าสุภัทค์คนนี้นะ่ะเดินเป็นช่างการ บ, บ, บวชการบวบวชทั้งพ่อทั้งลูกพ่อก่็เป็นช่างผมลูกก็เป็นช่างผมบวชบวชละอาชีพไม่ยอมทิ้งเก็บเอามีดโกนเอวยกันไกเอยเก็บไว้หมดแล้วก็ท้านที่บวชแล้วนะยังไปเที่วรับจ้างเขาตัดผมโกนหัวให้เขาขุนเจา้าลู้เขาก็มาติเตียนใลยทำรู้ข้าวบุรุษท่านนี้มีตัวอย่างไหนอ่ะ มีอย่างแล้หมดแล้วมาทิ้งอาชีพคฤหาดยังยึดอาชีพคฤหาดอยู่สุภัธาะก็ผูกอาฆาตภาษาสดาหาว่าพระพุทธเจ้ามาจูกก้จี้จำไทยแกแกจะทำอะไรในเบอิสระพอพระพุทธเจ้านิพพานก็ซึงอุทานว่าดีแล้วนิพพานแล้วก็ดีแล้วเราต่อไปนี้ทำอะไรตามใจไม่มีใครมาบัญญัติว่านี่ควรนี่ไม่ควรกับเราพระนั้นกระสบจึงได้สติว่าโอ้ยังไม่ทันไรเลยกเกิดไอ้วาทพระแบบนี้เป็นเสียด น, นามต่อพระศาสนาขึ้นเพราะฉะนั้นการจับอัมภะนน์จึงเท่ากับว่า ต้องการทําทําให้มีอํานาจในทางปกครองให้เห็นการปกครองจะต้องมีอำนาจไม่ใช่ว่าเป็นการตรุงใจหาเหตุไม่ใช่งี้ยท่านจะอภิหารแล้วนะครับอ่าข้อสามถามบอกศาสนาพุทธที่ว่าจะมีอายุห้าพันปีนั่นใครเป็นผู้ตรัสมาในพระไตรปิดกหรือเปล่าไตรปิดกนะ่ะไม่มีไ ม, ม่แล้วก็ไม่มีพระเจ้าพูดไว้ที่ไหนเป็นมติของพระอาจากถาจารย์ที่ท่านพูดไว้ก็ไม่ใช่ว่าไร้เหตุที่ท่านพูดนะ่ะท่านพูดเดียอวอนาคตังสยาน ต้องรู้การอนาคตโดยเปรียบเหตุการณ์ปัจจุบันเพราะว่าศาสนาพุทธถูกพวกาศาสนาอื่นตีแจ้งมาจากอินเดียถูกพวกาศาสนาอื่นกดขี่ในลางกาเนี่ยตำตาท่านอยู่ทนเห็นอยู่ท่านยิ้มขีนคำมายากรในคำพิเศษกถาว่าถ้าชาวพุทธน่ะไม่ช่วยจะรักษาศาสนาให้ดีแล้วจะอยู่ได้แค่ห้าพันเริ่มต้นยังธรรมจะเสื่อมอภิธรรมปีดกเสื่อมก่อนอภิธรรมปีดกจะเสื่อมมหาสถานเสื่อมก่อนนะเสื่อมก่อนมาเรื่อยทีเดียวมามาไปนําดับกระทั่งถึงท่านพสูตร ถ้าสูตรเออจะเสื่อมชาดกเสื่อมก่อนถ้าดกเสื่อมก่อนเพื่อนแล้วก็เสื่อมมาเป็นลาดับลาดับเลยเดียวกระทั่งปริยัติอันตรธานแล้วแล้วก็ลิงค่าอันตรธานกระทั่งพระหรือแต่พระหลวงห้อยหูทําไร่ใช้นามีลูกมีเมียเนี่ยเป็นลาดับต่อมากระทั่งศาสนาครบห้าพันนี่เป็นเรื่องอนาคาตังสยามที่ท่านเห็นเหตุการณ์ในอินเดียนในลังกาเตือนใจท่านไว้จึงเขียนคำพยากรณ์ไว้อยู่ได้ครบห้าพันถ้าหากว่าไม่ช่วยกันรักษาเป็นอย่างนั้นเออ ท่านข้าขันชายถามมาว่าพระภูรานะเป็นอรหันต์หรือเปล่าการเผาหรือสังกบที่ไม่ต้องมีหรืออาศัยพิธีการทางศาสนาเลยมีอยู่ในชนชาติไหนบ้างหรือไม่มีอ่าพระภูรานะเป็นอรหันต์หรือเปล่านะไม่มีที่มาที่ไปครับทั้งในบาลีทั้งในสกถาไม่ปรากฏการการฝังเผาไม่มีพิธีกรรมศาสนาเลยนะมีอยู่พวกคนปา่าคนป่าในแอฟริกาคนป่าในอเมริกาใต้ พอตายปุ๊บก็โยนทิ้งไปเลยหรือฝังไปเลยปล <c oughs> ไปลอยในแม่น้ำคงคาให้ม่น้ำคงคาล้างบาปให้ส่วนฝังศพนะะ่ะศาสนาคริต์อิสลามถือว่าถ้าไม่ฝังแล้วมันจะ ด, ดบพระเจ้าจะให้เทวดาองค์หนึ่งชื่อว่าตาบเบรียนมาเป่าแตรแปลกรุกดวงวิญญาณของชาวคริสต์ชาวอิสลามถูดจากหลุฝังศพ แล้วเข้าคิวเลียงแถวไปสร้าพระเจ้าที่หน้าแผ่นบันลังพระเจ้าจะตัดสินความผิดความชอบใครพักดีในพระเจ้าก็ให้ขึ้นสวรรค์ใครไม่พักดีก็ลงนรกไปเพราะฉะนั้นต้องรักษาศพเอาว้โดยการฝังเขาไม่ได้เท้าแล้วอีกหน่อยเจ้าของเดิมวิ ญ, ญญาณเข้าล่างไม่ถูกไปหาพระเจ้าไม่พบว่างั้นต้องถึงต้องฝังอถ้าหากว่าเราจะพิจรารณาตือเหตุผลกันอย่างเป็นกลางๆแล้วการเท้ากับการฝังศพพิธีไหนดีที่สุด เผาดีที่สุดไม่เปลืองที่เวลานี่ที่ทางก็แพงหายากสักคนยังไ ม, ไม่พอจะอยู่เลยเอาผีมาอยู่เนี่ยแย่จริงเพราะฉะนั้นอนะ่ะเวลานี้ในยุโรปเองก็เริ่มเริ่มใช้วิธีเผาแล้วคือสเตียนที่ไม่แข็งที่ไม่เคร่งนะเขานิยมเผาแล้วเขาว่าดีกว่าไปฝังอีกแล้วก็าศาสนาฮิวส์้ขาก็เนิยมฝังเหมือนกันโรมันคาทอลิกเขาก็ฝังเวลานี้พวกหัวหัวขมลองฝายในอิตาลีเข้าใจคือว่าอิตาลีนะ่ะเนื้อที่ฝังจบมันล้นแล้ว มีทางเดียวฝังศกใส่สตึกสร้างตึกล้าฟ้าแล้วเอาศพฝังเป็น ล, อ ล, อ ล, อลอน็อกๆๆๆๆๆายๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆตๆๆๆปๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆนๆๆๆาๆๆๆๆๆๆๆาๆๆๆๆๆๆๆๆัๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆบๆีๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆนๆๆาๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆสๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆนๆๆ้ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆนๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆสๆๆงๆงๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆตๆๆๆๆๆรๆๆๆๆๆๆๆๆาสดา พระศาสดาก็ได้ทรงตรัสแมะวิธีจัดงานระสมพระอนลรับฟังไปบอกแต่มละกษัตริยต่อหนึ่งก็วิธีการต่างๆที่พระสัสดาตรัสแต่พระอนุลนั้นเมื่ออ่านดูแล้วคล้ายๆกับว่าพระศาสดายังทรงอยากให้พระสวริษัทจัดงานะสบนะของพระองค์ยังสมเกียรติเช่นทรงตรัสให้จัดทํำผสมของพระองค์ให้เหมือนกับผสมสมพระมหาจักรพรรดิอาตมาขอให้อาจารย์ดิจาร์เรื่องราวตอนนี้ให้คลายสงสัยด้วยว่าพุทธประสมค์ที่แท้จริงนั้นทรงมุ่งหมายอย่างไร ที่จัดแนะวิธีการดังกลา่าวต่อไปนี้เรื่องนี้น่ะสำหรับความเห็นของผมมีสองแง่แง่หนึ่งเข้าใจว่าตอนนี้เป็นคำที่พระสังขีติกาจารยบัรจุข้ามาคือว่าผิดวิสัยที่พทธเจ้าจะข่ขวาอย่างนั้นผิดวิสัยที่จะไม่ฝั่งว่าเอาผ้าขาว5้ารอยทับมาพันพระรีรพระองค์แล้วเข้าจิตกาจิตกาทานปรงพระชนปรองพระตรีระน์นี่ สังคีติกาจาบันจุเขามาประการหนึ่งประการที่2ไม่ใช่สังคีติกาจามันจุเป็นพุทธคตณจริงๆแต่พระนองราบนะครับห้ารา้อยบาทนนะ่ะไม่ใช่ของหายากหรือของ ด, ดีดีไม่ใช่เลยเป็นของที่หาได้ทั่วไปง่ายๆถ้าบางๆห้าร้อยนถะื้น่ะพันๆศุกร์ฉั น, นเองแหละเนี่ยแล้วคําว่าห้าร้อยเนี่ยท่านทั้งหลาย ผมได้ ก, กาลาบเรียนแล้วว่าเป็นอำเไหนกสังขยาไม่ใช่ว่าตา้องไปค้นคว้าซื้อในตลาดพหุรัตพัหาหน้ำไมครบ0 0า้ยบางร้านจะหาหาภาขาวส0 0รอยพับยังไม่มีเลยต้องไปหาว่าซื้อตำล้า น, านต่างๆหลายบล้านก็จะครบห0ารยับเดี๋ยวนี้แหละในกลุมเสพเดี๋ยวนี่ยึงว่ า, าจะเผาสุกใครขอสดด้วยนภาขาวห0รอยับตายจริงรับรองไปร้านภาคพหรัตน์ทหานม้ไม่ครบ500้า้อับให้เรามีไม่ไม่ครบอะไม่ไม่ครบหน้าทีเดียตหาหลายร้านหลายแห่งฮะ แต่ว่าผระขาห้าร้อยพับในครั้งพุทธกาลเป็นเพียงแต่ว่าพ่อเขาหลายหลายผืนแต่ว่าผราขาหลายหลผืนม่นจํานวนจะต้องยืนไม่ไม่จำเป็นต้องยืนตัวต่อห้ารอยผืนไม่จําเป็นได้กล่าวมาแล้วว่าเ น, น ก, กษัตริย์แล้วข้อนี้พระเจ้าก็ไม่อยากจะให้พูดบอกอนนท์เธออย่านขนไหายเลยหนึ่งสตรีละของเราเป็นหน้าที่ของพวกกษัตริย์พวกข้าบาดีพวกฟาร์มที่เขาต้อถือตถาคตมีเขาจะจัด ก, การกันเองแต่พระอานนท์แข็ขงแกร่งพระองค์นี่บอกว่าไม่ได้พระเจ้าค่พาาะพระค่ะพระองค์ไม่ถามไว้ ถ้าเผื่อถ้าเผื่อพวกนี้พวกอาบดีพวกกษัตริย์พวกทาก็ถามขึ้นว่าธ น, นนท์จัดการการิระภาษาสุนัยอย่างไรข้าพระองค์ไม่ถามแล้วก็ำตอบก็ไม่ถูกเขาจะติเตียนได้เพราฉะนั้นต้องขอทูลถามถาพ้ะพระเจ้ า, าจึงจําพระไตยแสดงแล้วจิตแสดงบอกว่าให้เอาควาง่ายว่าดูก่อนอนนท์เอาขา้เขาอะไรหลยืนพันสุดสถาโคตแล้วก็เอาไปเผาเสียความเพียงแค่นี้เองอะ่ะไม่เห็นจะเป็นข้อที่แสดงว่าพระองค์อยากจะให้ใหญ่โตสมพระเกียรติไม่เป็นนี่ครับ ไปวิจารณ์นาอ่านข้อความให้ดีนะครับไม่เซ้นเลยไม่เลบงเลยถ้าพุทธองค์ตัสบอกว่าให้ปัญหาโคตรปายแล้วก็เอาเข้าโกดนะล้างข้าวจะข้าวโกฐแล้วต้องมีพวงหรือเล่พวงนะมันติดไเ้หน้าโกลีดแล้วก็ถึงเจ็บสัปดาทุกวันต้องมีคนสวดมีคนมาทําบุญให้ต้องมีประโคมนะแล้วก็ต้องมีละครมีหนังมียิ้มีนาตย่าประกวดจะขันประชันการต้องแจกการงานจบเยอะแยะแท้หลายไปเอออย่างนี้่อามาว่ากันว่าพระสาสดาน่ะทรงขนขวายเรื่งพรสตรีละไม่ต่างกับชาวบ้าน ไม่ต้นนี่ครับเรื่องนี้ไม่เป็นเลยพิจารณาของแท้เถอะเนี่ยพูด ง, ง่ายๆว่าเขาเผาสจากกพจักรพรรดิเป็นยังไงเขาเผาศพเราอย่างนั้นเถอะหมายความว่าเผาสพผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ในข้าง น, นั้นน่ะเขานิยม่เผากันอย่างไรโอจงเผาศพเราอย่างนั้นอย่างน้อยที่สุดถ้าพระองค์มาตรัสว่าจงเอาเสือเกา่เกาๆไปหอสพ แ, แล้วไปทิ้งไปเผาเสียหมดเรื่องพวกราผู้กษัตริย์ผู้ข้าววันนี้เขาจะยอมไหมเขาไม่ยอมไม่ได้รษษพระบรมศาสดาจะทาําอย่างนี้ไม่ได้เขาต้องขนขวาอยู่ดีอะเพราะฉะนั้นไหนั้นาต้องขขวายเผ า, า, าอย่างกระตัดแล้ว ก็จัดไปซะเลยบอกว่าทำมันเตยยังไงก็ทำกับเราอย่างนั้นเพราะถ้าโดยชาติพระองค์ก็เป็นคัตติยะโดยชา ต, ชาติเขาก็ต้องถวายพระเกียรติอยู่แล้วต้องเผาศพให้สมกเกียรติเป็นคัตติยะอยู่แล้วจะป่วยกาพยัยกับพระองค์เป็นธรรมราชายิ่งกว่าคัตติยะซะอีกนะข้อนี้ไม่แปลกไหครับข้อนี้ อ, อ๋อเดี๋ยวเดวีท่านท่านท่านผู้นี้ถามเราบอกว่าที่พุทธเจา้าแสดงนิมิตโอภาสกับพระอานนท์น่ะคล้ายๆแสดงว่าพระองค์ก็อยากจะอยู่ในโลกทําไมพระองค์ไม่แสดงอิทธิฤทธิอยู่ต่อไปเลยทํำไมต้องให้พระอนนานนท์ราทนามาเรื่องอะไร เ, เรื่องนี้สําคัญสําหรับปัญหาข้อนี้เราต้องพิจารณาคําว่ากลับกระยิ่งกว่ากลับกลับป่าในที่นี้หมายถึงอายุกลับป่ไม่ใช่โลกกับกลับป่านะอายุกลับป่าของมนุษย์อายุกลับป่าของมนุษย์ไม่ใช่บ่าอยู่กันนั่งค้ำฟ้าั้ำดินไม่ใช่ กับปะในครั้งนั้นน่ะมิยมเอาอายุการของมนุษย์แต่ละครั้งเป็นเกณฑ์เช่นครั้งพุตการมนุษย์มีกำหนดอายุร้อยิบปีเป็นอย่างสูงเวลานี้ถอยลงมาถอยลงมาเลือดครั้งนั้นเมื่อสมัยสองพันปีมาแล้วกำหนดร้อยี่สิปีเป็นอย่างสูงถ้าพระพุทธเจ้ายจะทรงอยู่ได้ก็อยู่ไม่เกินร้อยี่สิบปีที่จะทรงอยู่ได้แต่ทําไมพระองค์จึงต้องให้พระอนุนาราธนาก็เพราะว่าพระองค์เองน่ะพูดง่ายว่า เวลานั้นนะครัพระองค์จะดับขันก็ดับได้แต่ไม่ดับขันก็ไม่ดับได้โดยอาศัยอิธิบาตภาวนาอันประกอบด้วยประธานสังขารพวกนีาไงว่าเข้าอันนี้มีจัตเจโตสมาบัติเมื่อเข้าอันนี้มีตัตเจโตสมาบัติแล้วก็สามารถขับไล่บรรดาอาพาธกรับปรุงร่างกายให้มีพละกระปรี้กระเป่าขึ้นมาได้ก็มีพระชนชีพต่อไปอีกสักสิบปียี่สิบปีแต่ยังไงก็ตามไม่เกินร้อยี่สิบจะต้องนิพพานแน่ เหตุท่ hey, พระอนุนรานานาะน่ะเวลานั้นพระองค์ก็เดชบอกกับพระอน์แล้วว่าแกง่งอมแล้วร่างกายเราเหมือนกีนขํขามขาที่ต้องอาศัยไม่ไถ่กระทะกระทังเ น, นี่ยถ้าจะอยู่ได้ก็อยู่ด้วย ก, กำลังใจตัวเดียวที่จะทําให้สรีระพระองค์อยู่ได้ถ้าพระอนุนรารนาเข้าพระองค์ก็จะได้อาศัยที่พระอนุรานานาะน่ะคล้ายๆว่าทําให้พระองค์น่ะมีกําลังใจที่จะอยู่ต่อไปตามคำอนรานา แต่มื่อไม่มีใครอาราธนาแล้วพระองค์ก็ทอดอะไรบวกถึงการที่เราจะดับขันแล้วเรื่องเขาเรื่องเพียงเท่านี้เรื่องเขาต้องเพียงเท่านี้เองคือต้องการให้พระอานนะ่ะมาบอกมามาอาราธนาบอกว่าขอให้อยู่ต่อไปเถอะเป็นการอ่าให้กําลังใจพูดง่ายๆให้กําลังใจให้กับพระองค์แต่ที่พูดอย่างนี้ไม่ใช่หมายว่าพระพุทธเจ้าวางสายสื่อคนอื่นนะไม่ใช่นะต้องหมายอย่างหนึ่งว่าที่เขามาให้กําลังใจนะ่ะพูดง่ายๆว่าเหมือนคนเรา มุนพระานากษัตริย์ทรมด้พระน้ากษัตริย์ที่เดมุรธาพิเศษแล้วย่อมมีสิท ธ, ธิที่จ ะ, สะเสด็จเข้านอกออกมาได้ใช่ไหมสิท ธ, ธิอำนาจมีอยู่จะเข้าไปบ้านใดเมืองใดไ ด, ได้หมดกษัตริย์ในสมัยสมุรนาาติราชอำนาจอยู่กับมือหมดทำอะไรก็ทําได้แม้แต่จะเสวยราชโดยการสุดเพิ่มสันติวงศ์ก็เป็นได้แต่ทำามต้องอาศัยพรามเวลาขึ้นประทับนั่งพระแท่นพัะรบิดในวันบรมราชาพิเศษต้องอาศัยพรามถวายแผ่นดินถวายแผ่นดิน แล้วก็พวกคุณนางเวียงวางครังนาคุณนางเวียงถวายเมืองคุณนางวังถวายคุณแจววางคุณนางนาถวายฝืนนาบอกกล่าวคำถวายแล้วก็ส่งรับเป็นพิธีการรับเป็นพิธีการความจริงน่ะถึงแม้ไม่มีพิธีอย่างนี้ก็ทรงเป็นกษัตริย์เป็นสมุนแล้วโดยนิตินัยแล้วนับจากวินาทีแรกที่กษัตริย์องค์เก่าสมรยนคตและพระองค์เป็นสืบสนติวงแต่ที่ต้องให้มีพิธีกรรมอย่างนี้น่ะ เท่ากับเป็นการยืนยันอีกทีหนึ่งยืนยันความปรารถนาเป็นอนเอก น, มมอ น, นกกัสมุสรานิกรสมมุติขึ้นมาฉันใดพระผู้มีพระภาคก็ฉันนั้นพระองค์เป็นธรรมราชามีสิทธิมีกําลังใจมีอํานาจพลังอำนาบัจที่จะทำอย่างโน้นทำอย่างนี้ได้หมดแต่ก็ต้องรอโอกาสที่สาวกอาราธนาเมื่อโอกาสให้สาวกอาราธนาก่อนเมื่อสาวกอาราธนาแล้วพระองค์ก็เอาละเราจะอยู่ต่อไปละ่ะอุปมาเหมือนพระมหากษัตริย์ รับพระราชนาจากอนเนกสมุทรนี่กรสมมติขึ้นเป็นกษัตริย์ชั้นใดกว่าชั้นนั้นไม่ใช่ยันหยากไม่ใช่ไม่ใช่ยันหยาครับคําว่าอยากอยู่ไม่มีถ้าจะอยู่ก็อยู่ด้วยพระรักําลังกรุณายังกรุณาต่อสัตวโลกอยู่ถ้า พ, พระองค์จะอยู่บปนประโยชน์ต่อ ส, สัตวโลกอีกสักยี่สิบ ป, ปีพระองค์ก็ยินดีจะอยู่ยินดีในที่นี้เป็นฉันพระฉั้นพิธีบาศไม่ใช่ตันหาไม่ใช่เป็นฉั้นพิธีบาศ นะฮฉั น, นตั้งปัญหาต่างกันไม่ดับไม่ได้ไม่ได้ไไดคือว่าถ้าอย่างนั้นน่ะพละงกำลังพระองค์นั่งมเต็มทีแล้วเหมือนผลไม้กำลังจะหลุดจากขั้วจะหลุดวิ่หลุดแหล่อยู่แล้วนะพระองค์ก็ปล่อยให้มันถอยไปเลยถึงไม่จะถอยไปเลยดับไปเลยแต่งคนงานที้พระองค์ทำก็ยังอยู่นี่เป็นประโยชน์กับสัตวรโลกอยู่อรหันต์ที่จะเป็นที่พึ่งของนาถาของโลกยังอยู่กันแยอะแยะพระองค์ไม่โกหว อ, อีกแล้ว เพราะนั่นที่บอกว่าอิตามาลไงล่ะอิตามาลน่ะอิตามาลความจริงมาลาัพนาตั้งแต่พระองค์ตรสกูลแรกใหม่นะเทสกามุจจรินมาลัพนาแล้วในระหว่างที่สวยพิมติสุก่ะมานมาแล้วอาจจะปาลันิโคตอีกแห่งหนึ่งมาลัพนาบอกว่าพระโคดมขนขวายน้อยเถอะอย่าเลยอย่าไปตั้งศัตรูมาพุทธังสอนชาวโลกเหนื่อยาอยากเลยเมื่อรูปคนแล้วก็ตัดช่นนองมันนี่เอาตัวรอดรีดดัดขันไปซะเลยพระศาสดาขับไล่มานบอกมานไม่ได้ ตราบใดสาวกสาวิกาพิสุพิสุนีอุบาสุอุบาสิกาของเรายังไม่สามารถปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบปฏิบัติตามธรรมอยู่ยังไม่สามารถประกาศธรรมจารย์ของเราด้วยดีให้ไพร่ในเบื้องต้นไพร่ในท่ามกลางไพร่ในที่สุดยังไม่สามารถจะแก้รัตประวัติของคนต่างศาสนาต่างนพที่มาย่ำยีต่อตาศาสนาได้ตราบนั้นคาถาคดยังไม่ดับขันธนิคานพูดอย่างนั้นมารก็ลาไป ในพรรษาสุดท้ายที่อาภาษหนักในมึงเวสาลีมารตัวนี้ก็โผล่เข้มาอีกมาบอกว่าได้เวลาแล้วพระเจ้าค่ะพระองค์จำคำําคําปฏิญาณเมื่อสี่สห้าปีก่อนโน้นได้ไหมที่พระองค์ประทักอยู่ที่อชปาลามีโคตรต้นสายอันมีพระแห่งเด็กเลี้ยงแพ้ที่ตะมูลุกเวลาเสนาในคมจําได้ไหมมาโทนสัญญาเก่ากับพุทธเจา้าพุทธเจ้าว่าจําได้อย่ากลัวเลยมาร์ต บ, บัดนี้น่ะสาววสสาวิกาพิสุพิสุนีอุบาสุอุบาสิกาังลราแพ้หลายแล้วพราะมันจำเราเป็นตรุษขันแล้ว สามารถประกาศธรรมทั้งภัยละในเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดได้ดีแล้วสามารถแก้ปร ะ, ประวาติต่างๆได้ดีแล้วเอาละทานแต่นี่สามเดือนเราจะดับคำท่านปรินิพานบอกข้าพรมอย่างท่านอย่างนั้นบอกไก่ตะมอย่างนั้นอันนี้แหละเป็นสาเหตุว่าถึงแม้พระอาจารย์นิพานเมื่ออายุแปสิก็จริงก็ใช่เพราะองค์ในใจไม่ไสลกรรมตัดช่องนอทิ้งโลกไปในเมื่อพระองค์ได้ถ่ายทอดความรู้ภ า, าสาวกเต็มเตี่ยมดูก่อนอนอนนกำมือพระอาจารย์ไม่มี ทรงบอกมือให้กระลุสิทธ์หมดไม่มีว่าไอตรงนี้ยักเอาไว้โค้ลุสิทธ์ไม่คิดล้างขู่ต้งยักเอาไว้ไม่ให้ไม่ให้รู้ไม่มีพทธิเจ้าไม่มียักความรู้ไว้สำนักโค้ลุความรู้ว้ทัศนอาจารย์ไม่มีบอกว่าความกํำมือของอาจารย์ไม่มีเปิดเผยหมดเพระนาะฉะนั้นในเมื่อบรรดาลภาษา voke ทั้งผู้หญิงผูชายทั้งครหัรเขามีกําลังมีความสามารถจะประกาศศาสนาด้วยดีแทนพระองค์ได้แล้วพระองค์ก็ไว้วางพระทัยได้พร้อมที่จะมีพพานแล้ว เพราะนั้นถึงนินนพพานเมื่อยุปายสิทิ์ก็ไม่ใช่ว่าเสียเมตตาเล่าวครับเปล่าแต่ถ้าอารัชนาแล้วย่างยืนต่อไปอีกแค่ยี่สิบปีก็เป็นผลพลอยได้ของชาวโลกที่จะอยู่มีโอกาสเห็นมาพระองค์ต่อไปอีกมานานหรือไม่เพียงเท่านี้เองนะครับอถามบอกว่าลูกฆ่าข้อเป็นอนันตเริยกรรมตกประโลกถึงอเวจีแต่ทำามพระเจ้าจอาชาศัตรูจึงฆ่าข้อจึงไปตกแค่โรหกุมพีก็เพราะว่าอาชาศัตรูทํา ม, มหาทุรศล อุปถมภ์ปฐมประสัง น, น, นาหนึ่งบูรณะวัดส8บปดตำบลรอบๆเมืองราชเรื้อหนึ่ง 1. แล้วก็กับใจเป็นสมาทิฏฐิหลังจากฟังสามันยมผลสู่ที่พระพุทธเจ้าแสดงหนึ่งทูลขอขมากรรมกับพระพุทธเจ้าโดยพระองค์เองหนึ่งสี่ข้อนี้เลยผ่อนกรรมตกแค่โลหคุมพีแทนที่จะไปอยู่บางขวางก็อยู่แค่ระหูหลงๆแค่ น, น, น, น, น, น, น, นั้น รับรับกภาพสถานว่าข่าเขาจริงแล้วมีความดีอย่างอื่นมาชดเฉยสารก็เลยเมตาตาสัตสินอยู่แค่ติดระหูก็พอไม่มีอะไรหมายที่พระองค์ทรงข้าพระมิพานทราบบ้างหรือไม่ว่านางพิสุนี้สูญแล้วหรือยังเพราะไม่ปรากฏว่ามีนางพิสุณีเข้าร่วมในข้างนั้นน่าจะปรากฏถ้ายังมีอยู่ถ้าสูญแล้วเหตุรายในสมัยหลังมา จิงปรากฏนางภิสุนีขึ้นมาอีกขอความสระหวังด้วยยังไม่ศูนย์นางพิสุนีมีอยู่สิครับในสมัยที่มึงกูชินาราก็มีนางพิสุ น, นีอยู่พิสุนีอยู่ถ้าไม่มีทำไมพระ อ, องค์จัดบอกว่าดูก่อนอานุนภิกษุพิสุนีอุบาสกอุบาสิกาได้ต่อย่างนี้ถ้าหากว่ามีความอนุสรงถึงเรานะ ตรงไปสู่สังเวชนีสารสี่ตำบลน่ะในตรงรมาสังเวเช น, น, นรรวีนั่นจะเป็นไฟเพื่อสุกติโตสวรรค์แก่พิสุพิษุณีอุบาสิกาอุบาสิกานั้นๆพุทธพุทธข้นี้แสดงว่านึงพิสุณีไไมีอยู่ในครั้งพุทธิจารีพานไม่ได้สูญหายไปไหนมีอยู่ตาอาจารย์บอกว่าพระมาลายเกิดภายหลังพุทธิจ้ารีพานหลายร้อยปีจะไม่ขัดกับเรื่องที่ว่าพระโมคคัลลานะถูกพวกดือดผีจ้างโจรทุกข์เพราะนำข่าวสารสัตว์นรกมาแจ้งกับประชาชนหรือและในหนังสือเทศยงหนึ่งมาลัยก็มีพระโมคคัลลานะ อาพระโมคคานะกับพระมาลายคุณละองนะครับคุณละองพมะโมคคัลานะครั้งพุทธกาลพระมาลาอยู่ในลังกาแล้วเรื่องที่เทเสื่องเทพ่มาลายมีเรื่องโมคคลานะเป็นเรื่องเล่าครั้งพุทธกาลเอามาเล่าแต่ลักษณะคล้ายกันคือไปลงมานากไปเยี่ยมตวันแลอาบาบุญมาเล่าให้ชาวโลกฟังคล้ายๆกันขอให้อาจารย์ช่วยอธิบายและอิิบาสีทาให้มีชีวิตอยู่ได้ชั่วกลับชั่วการให้เห็นแจง้งเบือไอ้ชั่วกลับชั่ว ก, กั น, นี่กระณาอย่างนึงก็่เป็นอายุของโลกอยู่คาฟ้าคำดินอย่างนึกอย่างนั้นนะฮะ อย่างคนนี้ถือว่า75ปีเป็นเกณฑ์อยู่เกิน75ก็ถือว่าอายุ1กลับแล้วจะบอกให้อายุ80ปีก็พูดเลยอายุเกิน1กลับไปแล้วอายุใครมนุษย์ปัจจุบัน75ปีเป็นอย่างสูงใครเกิน75ต้องเป็นราภของชีวิตต้องเรียกว่าอยู่ได้เกิน1กลับเดี๋ยวนี้นะอายุอายุเกิน75 76ขึ้นไปแล้วก็อบอกฉลองอายุเกิน1กลับแจกบัตรฉลองอายุได้ มาแสดงมุติตาบัติว่าข้าพเจ้านี่อายุเกินหนึ่งกับแล้วเขาถามผมหนึ่งกลับน ห, น Large, หมายถึงอะไรหมายถึงอายุกับปะไม่ใช่อายุของโลก อ, ยกลอายุของโลกนั้นับไปทวนปีกับหนึ่งอิธิบาศีในที่นี้น่ะหมายถึงชั้นพิธิบาปทประธานและสังขารกิต <segundo> ติบาศประธานและสังขารวิมังติบาศประธานและสังขารหมายถึงอย่างนี้อิธิบาศีวิริยติบาศประธานและสังขารคือว่า อิทธิบาทอันประกอบด้วยปาทานและสังขารได้แก่กําลังแห่งสมาบัติอย่างแรงกล้าคืออันนี้พิจเจโตสมาบัติเมื่อเขาอันนี้พิจเจโตสมาบัติแล้วก็สามารถขับไล่บรรดาอ า, าพาธออกจากกายได้หมดทําให้ร่างกายกระปรีกก้กระเป่าออกจากสมาบัติแล้วโรคที่มีอยู่ก็หายกําลังกายแข็งแรงกระปรีก้กระเป่าดีอย่าว่าแต่พุทธการที่พระพุทธเจ้าทําได้นะถ้าสงฆ์ในเมืองไทยเราทาได้ทําได้ ท่านอาจารย์มั่นภูริทัตต์อาจารย์กรรมฐานมีชื่อในภาคอีสานที่ท่านรู้รับไปแล้วประมาณสิบกว่าปีเป็นอาจารย์ผูู้กรรมฐานที่มีชื่อเสียงมากท่านผู้นี้ครั้งหนึ่งเคยอ า, าพาธนะ่ะในถ้ำแห่งหนึ่งแล้วก็ท่านได้เข้าเจริญอิทธิบาทตามในพุทธิพุทธเจ้าแสดงไว้เข้าอันนี้มีตัจเจโตสมาบัติพอจากสมาบัติแล้ว อ า, าพาธที่เป็นอยู่หายเป็นปึกทิิงเลยร่างกายฟื้นฟูสุขภาพแข็งแรงกระปี้กระเป๋าหมดไม่มีโรคภาพาพัยไข้เจ็บมาลบลวนตลอดปีนั่นทันทีไม่มีเลยเนี่ยและอ า, าพาธทีใดถ้่เราเข้าเ ข, ข้าสมาบัติขับไล่อ า, าพาธทุกทีจนกระทั่ท ง, ถ, งถึงวาระสุดท้ายต้องปล่อยไปตามธรมธรมธรรดาสังขานสูญสังขารไม่ได้แล้วปล่อยแล้วเป็นด้วยวาอายุขยะบะ่อนะตายโดยเหมือนทผลไม้งอกสุกงอมหล่นลงจากขั้วเองไม่ใช่มีใครมาปริด หรือว่าถูอุบัติวะไม่เป็นอุบัติวะบรณะไม่เป็นกรรมขยะบรณะแต่เป็นอายุขยะบรณะถ้าเป็นอายุขยะบรณะแล้วไม่มีอำนาจใดๆมาฝืนได้เนี่ยความตายเพราะสิ้นอายุถ้าตายเพราะสิ้นกรรมตายเพราะเหตุอุบัติเหตุอย่างนี้กรรมอื่นช่วยได้เช่นไหมจะตายเพราะสิ้นกรรมเราสร้างกรรมดีไว้มอกมากเป็นมหากุศลป่อยสัตว์ทำพยทานเยอะๆอำ น, นาจพยธทานก็ต่ออายุไปได้พระองค์หนึ่งพระเป็นพระนาวกา บวชที่วัดราชประดิษฐ์หลายปีมาแล้วแล้วก็เขียนลงในบทความเรื่องนาวากะล้ำลึกชิ้นหนึ่งบทความชิ้นนั้นแกเล่าถึงเมื่อยังเป็นคหัรหะอยู่บากตายไปตั่งสามวันแล้วคืนขึ้นมาระหว่างสามวันก็เห็นคนใส่เสื้อแดงเป็นเกงแดงมาเอาตัวแกไปไปหายุงพบาลไปถึงเข้าไปค่อ้าปเป็นสารเปิดบัญชีดูเมืวันนี้ถึงที่ตายแล้วเพราะฉะนั้นจะต้องตายไปตามกรรมแกก็สกใจ ระว่างที่ตกใจก็มีเสียงรอ้องบอกว่าอย่าเพิ่งเขายังไม่คนถึงที่ตายเสียงอะไรมาร้องออกมาล่ะมองไปเต่าตัวนึ่งคลานออกมาจากใต้เท้านึ่งพบาลบอกว่าเขาจะไม่ถึงที่เมื่อเขายังเป็นเด็กอยู่เขาเคยช่วยฉันฉันถูกคนจับเอาไปจะไปต้มแกงเขาช่วยฉันเอาฉันไปปล่อยไปในนาเขายังมีความดีอยู่เพราะฉะนั้นต้องต่ออายุให้เขาหน่อยยุมาบาลก็เปิดบัญชีดูอีกว่าเออจริงวันนั้นเดือนนั้นเจ้าเคยทําความดีโดยกัน ช่วยต่อชีวิตตัดเป็นอภัยทานเพราะนั้นจะต่ออายุให้ไปอีกสิบปีกลับไปก็ปอยู่อีกสิบปีให้มันทาความดีไว้นะอย่าไปสร้างบาปอกุศลกรรมเข้าหลังจากนั้นแกกับฟื้นขึ้นเ้าพามาส่งแล้วก็ฟืน้นฟื้นแต่นั้นมาใจเชื่อบุญเชื่อกำรรเลยตอนนี้ไม่เชื่อเดี๋ยวนี้เชื่อเลยเนี่ยเวลานี้ผู้เล่าก็ยังมีชีวิตอยู่เป็นเครือขันแล้วเพียงความดีช่วยเต่า ต, ตัวหนึ่งต่ออายุถึงสิบปีอันนี้เรียกว่ากัรมขยะบะ่อนะะ แต่ถ้าออนี่กรรมดีมาตัดมาช่วยเลยต่ออยุได้แต่ถ้าเป็นอายุขยะบราณแล้วไม่มีทางนะแต่จะอายุเก้าสิบปังงับแล้วบอกขอต่อไปอีกสักสามสิบปีเธอโอ้ไม่ได้การละใจขยะผลไม้องอมหงอมต้องหล่นแล้วเนี่ยลืมลืมไปอย่า ง, งั้นข้านักศึกษาเลขที่สี่สองขามมาว่าเมื่อพระพุทธเจ้าประนิพนานแล้วยังไม่ได้ถวายาเทพเรรลุรอให้พระมหากัจสุเดินทางมาถึงเสียก่อน เมื่อพระม้ากษัริย์ถวายความเคารพตามตํานานว่าพระองค์ยื่นรพระปาบระบาทออกมาให้พระม้ากษัตรนมัสการข้อนี้มีความจริงเพียงใดเมื่อถวายพระเพลิงปรากฏว่ามีไฟลุกขึ้นมาเองโดยไม่มีใครเผาข้อนี้มีความจริงเพียงใดจริงทุกข้อเป็นพุทธปฏิปติหานพระม้ากษัมาจะถวายบังคมพระพุทธบาทของข้างก็ยื่นออกมานี่ก็เป็นพุทธปฏิหานเป็นความจริงไฟเผาขึ้นเองก็เป็นไฟเทวดาจุดเทวดาจุดไฟไฟสวรรค์ ลงมาจากสวรรค์ลงมาพู้น ง, ง่ายว่าเป็นความร้อนจากเตโชทาตในธรรมชาติลุกทึบขึ้นมาแม่อาจารย์ในข้อเ น, นี้ยเป็นดาบเวลานี้ก็เป็นดาบไม่เชื่อก็เอาไม้สองอันสีกันเนี่ยเอากระจกไปส่งดูก็ไฟสบันขึ้นมาเหกันเนี่ยไม่ต้องอาศัยไม่ขีดไม่ต้องหรือไอ้ของร้ล่ อ, ลอกระจุกเราล่ลนนะไปตั้งเงาเผาแดดเอาแสงแดดเข้ากระดาษปรนี้กระดาษลุกไหมเลยเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นเป็นความจริงครับก่อนนี้เนี่ย อาตมาขอถามเรื่องพระพุทธเจ้าไม่ใหญ่กว่าคนเราแต่ในอาตกถาเสนาสนะขันธกะเสนาสนะคันธกะตอนว่าด้วยเท้าเตียงและต่างให้มีเท้าสูงไม่เกินแปดนิ้วพระสุคตท่านแก้ประมาณนิ้วสักสุคตว่าสามนิ้วบุรุษกลางคนเป็นหนึ่งนิ้วสุคตพระสุคตสามคือคนกลางคนเท่าหนึ่งคือพระสุคตได้ความว่าพระองค์คงจะใหญ่กว่าคนเราถึงสามเท่าทุกๆส่วน และลักษณะบุรุษที่ว่ามีนิว้วขหัดเสมอกันเป็นต้นช่วยแก้สงสัยด้วยเรื่องนี้ท่านก็อ่านแล้วว่าเป็นอัคคาอัคกาก็คท่านเชื่อคุณ ท, ท่าน